ก็กล่าวถึงข้อความในอัตถกถาอิติวุตกะต่อไปนะครับกล่าวถึงพระตถาคตในยาที่ห้าว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมีประการอย่างนั้นถามว่าเป็นอย่างไรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมีประการเป็นอย่างไดพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ก็มีประการอย่างนั้นคือหมายความว่า เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะองค์ก่อนยังไงองค์นี้ก็อย่างนั้นแหละท่านกล่าวอธิบายว่าอย่างไรอธิบายโดยสังเขปท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีประการอย่างไรคือมักนะมักที่เป็นศีลผลศีลโลกิยาศีลโลกุตระศีลแม้ทั้งหมดนะครับพูดถึงศีลนะนะศีลทั้งที่เป็นโลกิยาศีลทั้งที่เป็นโลกุตระศีลที่เป็นมัคศีลที่เป็นผล หรือสมาธินะครับมัคคสมาธิผลสมาธิโลกียะสมาธิโลกุตระสมาธิแม้ทั้งปวงหรือปัญญานะครับทั้งที่เป็นมัคคปัญญาผลปัญญาโลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาแม้ทั้งปวงหรือแม้กระทั่งสมาบัตส2งล้านสี่แสโกดที่ทรงใช้สอยประจําวันนะครับแต่ทางควิมุติวิขัมพนาวิมุติสมุเทเฉทวิมุต ปฏิปักสัวที Bra ่วิมุตต์แล้วก็นิสรณวิมุตต์นะครับนี่คือว่าโดยย่อๆนะก็คือพูดถึงศีลสมาธิปัญญาสมาบัติแล้วก็วิมุตต์ทั้งหลายนี่นะครับที่พระองค์ทรงใช้สอนเนี่ยนะก็ไม่ต่างอะไรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่เคยมีมาแล้วก็มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้หรืออยู่ในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระผู้มีพระภาคของเราก็ใช้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้หรือเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน แต่เมื่อว่าโดยพิสดานพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นเป็นอย่างไร ด, ด้วยอนุภาพอันเป็นอจินไตยนะครับหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้ด้วยคุณคือพระสัพพันธ์อยู่ทั้งสิ้นนะครับทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายพระองค์นี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับคุณคือความเป็นสัพพันธ์อยู่คุณธรรมอันหาประมาณไม่ได้เป็นอจินไตยหมายความว่าคิดยังไงก็ ที่จะทราบซึ้งทั้งหมดก็ไม่ใช่ฐานะเนีนะครับพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็เป็นอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นมีความแตกต่างกัน5ประการว่าพระพุทธเจ้านี้แตกกัน5ประการคือ 1. ความแตกต่างกันระหว่างอายุว่าอายุบางองค์ก็อาจจะหลายหมื่นปีนะครับสี่0มืนปี6ก0มืปีสอง0มืปีในอย่างของพระผู้มีพระภาคก็ เทียบกับยุคร้อปีนะครับแต่อายุจริงๆของพระองค์ก็80ปีความแตกต่างแห่งพระสรีระนะครับรูปร่างกายบางองค์ก็สูงหลาย1ิบอกนะครับนะความสูงเป็นต้นก็อานไม่เท่ากันหรือความแตกต่างแห่งตระกูลบางองค์ก็เกิดในตระกูลกษัต ร, ริย์บางองค์ก็เกิดในตระกูลพราหมณหรือว่าความแตกต่างกันแห่งการบําเพชนุกรักิริยาเช่นบางองค์ก็ออกบวช7เดือนก็บรรลุแล้วบางองค์ก็ออกบวชไม่กี่เดือนก็บรรลุแล้วอย่างนี้นะครับ บางองค์ก็ไม่กี่วันก็บรรลุแล้วแต่ของพระผู้มีพระภาคของเราก็หกปีนะครับความแตกต่างแห่งพระรัศมีนะครับรัศมีของบางองค์ก็หาที่สุดไม่ได้นะครับอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละนะครับนะโอ้รัศมีนี่นะครับหาที่สุดไม่ได้นะครับจนดวงอาทิตย์เนี่ยไม่สว่างเลยมันันแต่ไม่มีกลางคืนกลางวันเลยนะรัศมีเนี่ยสว่างตลอดนะแต่ของพระผู้มีพระภาคก็มีพระรัศมีหวานหนึ่ง แต่ไม่มีความต่างกันอะไรๆในวิสุธทธิมีศีลวิสุทธิที่เป็นต้นแม้กระทั่งในการปฏิบัติสมถวิปัสสนาก็ไม่มีความแตกต่างกันนะครับในคนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แม้แต่การบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุสัพพัญยุตยานบรรลุคุณธรรมทั้งหลายนี่นะครับก็ไม่มีความแตกต่างกันเลยของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์โดยที่แท้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น ไม่พิเศษกว่ากันและกันเหมือนทองคำที่หักตรงกลางนะครับไม่ไม่มีความแตกต่างกันโดยเหตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางก่อนมีธรรมะอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้ก็มีธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระพระองค์จึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมีประการเป็นอย่างนั้นคือมีธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆทั้งหมดนั่นเองนะครับ ส่วนพระตถ า, าคตในยะที่6ก็คือพระตถ า, าคตนี่นะครับชื่อว่าตถ า, าคตเพราะมีความดำเนินไปโดยประการนั้นดำเนินไปโดยประการนั้นถามว่าเป็นอย่างไรคือชื่อว่าพระตถ า, าคตเพราะมีการถึงการไปการที่ไปนะการเป็นที่ไปคือความเป็นไปทางพระกายทางพระวาจาและพระหฤทยัยเหมือนอย่างนั้น ตามที่พระพ่อพระหารุไทยเพราะพระองค์นี้ประกอบด้วยอิทธานุภาพอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นและพระองค์ก็ได้พระอนาคามิญาณ น, นะครับจากการบรรลุพระบารมีอย่างสูงสุดนะครับแม้กระทั่งปฏิสัมพิทามีอัฏฐปฏิสัมพิทาเป็นต้นและเพราะพระผู้มีพระภาคไม่มีความกระทบกระทั่งในที่ไหนๆในความเป็นไปทางพระกายเป็นต้นนะครับคือพระองค์นี้พงค์ สามารถดําเนินไปได้อย่างที่ทรงปรารถนาะพระองค์ทรงปรารถนาอย่างไรพระองค์ก็ดําเนินไปอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่ติดขัดในอิทธานุภาพไม่มีความติดขัดในปฏิสัมพิธาหรือแม้กระทั่งพยานทั้งหลายมีอนาวรณยายาเป็นต้นนะครับนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงดําเนินไปโดยประการนั้นนะครับอันนี้ของพระทถาคตในที่6กนื้ขยายไม่มาก ส่วนพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะไม่ไปจากความจริงแท้ตเทหิอัคโตติตถาคโตนะครับเพราะไม่ไปจากความจริงแท้ถามว่าเป็นอย่างไรคือพระองค์นี้ชื่อว่าอัคคตะเพราะไม่มีการไปกล่าวคือความเป็นไปอันเป็นค่าศึกต่อพระญาณในการสร้างสมอบรมโพธิสมภารเนี่ยนะ ก็ความที่พระองค์นี่นะครับไม่ปราศจากพยานนั้นชื่อว่าพระธรรคตเพราะไม่ปราศจากพยานอันไม่วิปริตในการบําเพ็ญทานนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญญาในการให้ทานเนี่ยพระองค์บริบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นการให้ทานของพระองค์เนี่นะครับเพื่อขจัดความตนีเป็นต้นแล้วพระองค์ก็ยังมีพยานอันเป็นไปโดยการพิจารณาโทษของการไม่ให้ทานแล้วก็พิจารณาอานิสงค์ของการ ให้ทานเป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องทานเนี่ยนะทานยังไงเป็นปาติบุคคลิกทานทานยังไงเป็นสังฆทานทานยังไงเป็นสัพปริสทานยังไงเป็นอสสัพปริสทานยังไงเป็นการละทานยังไงไม่เป็นการลทานนะครับวัตถุทานเป็นต้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรนะครับให้แล้วจะต้องรักษาเจตนายังไงเป็นต้เตนเนี่ยนะพง์รอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทานทุกแง่มุม Angular. นะครับอันนี้ตอนที่ ท, ที่ที่บําเพ็ญบารมีอ่ยนะก่อนเนี่ยาครับ พิจานาอานิสง์ของทานเนี่ยไม่ได้หมายของว่าโลภอยากจะได้ผลทานใช่ไหมครับหรือยังไงเพราะว่าอาจารย์โดยส่วนมากเนี่ยจะเตือนว่าไม่เอาหวังผลของทานหรืออะไรทํานองเนี้ยเธอให้รู้ผลนะครับเหมือนกับ่คนที่ปลูกข้าวนะก็จะรู้ผลว่าเออถ้าลงทุนเท่านี้เท่านี้จะได้ผลเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยเขาก็รู้นะครับ ถ้ารู้เหตุแล้วก็ผลของเหตุอันนั้นเนี่ยหวังไม่หวังมันก็ผลมันก็เหตุผลมันก็เท่านั้นแหละครับแต่ทีนี้ที่ไม่ให้คล้องมากนักในผลเนี่ยเพราะว่าผลเหล่านั้นเป็นวิบากและกรรมชรูปเป็นกองทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรข้อผูกพันนกงงักเหมือนกันจะควรให้ทานเพื่อทานเช่นให้ทานเพื่ อ, าอบรารมีธรรมในชั้นสูงๆต่อไปนะครับอย่าไปหวังอย่าไปติดคล้องเลยโอ้เนี่นะฉันให้ทานแล้วต่อไปชาติหน้าฉันจะรวยจะนั่งกินนอนกินเดี๋ยวก็เป็นโรคตายหรอครับใช่ไหม เกิดกินทุโภชนาการกินมากเกินไปโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นติดตามมาอีกอันนั้นคือไม่ควรไปนั่งรำพึงรำพันถึงว่าโอ้โหฉันจะได้เสวยผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไม่ให้รู้ผลนะครับรู้เหตุรู้ผลว่าทําเหตุเท่านี้นะจะมีผลเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอันนี้ต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้อา น, นิสงส์เลยนะครับรู้ว่าถ้าให้ทานเป็นปาติกปุคลิกทานเนี่ยนะครับมีผลเท่าไหร่ ให้ผลเป็นสังฆทานมีผลเท่าไหร่ให้ผลปาติปุคลิกทานก็ยังไม่แยกปาติปุคลิกทานแบบเดรฉ า, านเป็นต้นเนี่ยนะครับจะมีผลเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าหากว่าให้ในทำในสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นต้นเนี่ยมีผลเท่าไหร่ถ้าหากว่าให้เป็นเสนาสนท า, านเนี่ยนะมีผลเท่าไหร่นี้ก็รู้นะครับขอก ค, ครับเออย่างเช่นว่าผู้ที่ทาทานแล้วก็อา่า ขอให้ผลทานนั้นเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานเนี่ยอย่างนี้ชื่อว่าหวังอ น, นิสงหรือเปล่าครับก็หวังอันนี้ควรหวังนะครับควรตั้งด้วยนะครับนี่นะการให้ทานและตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับควรตั้งนะผู้ที่ตั้งแบบนี้ท่านยกย่องนะครับว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิธินะถ้าหากว่าให้ทานรักษาศีลแล้วตั้งเป้าหมายเพื่อวิวัตะแต่ถ้าไม่ตั้งนี่ชื่อว่ามิจฉาปณิธิตั้งจิตไว้ผิดนะครับ ถ้าหากว่าเจริญกุศลอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ธรรมไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อวิวัตตานะท่านบอกว่าตั้งจิตไว้ผิดเลยนะครับถึงจะทําดีขนาดไหนก็ช่างเถอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเอาผลอันนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับพะะนันดูได้ในอัตถกถาสั่งยุตินิกายนิทานวักนะครับพูดถึงลักษณะของการตั้งจิตไว้นะครับว่าเวลาเจริญกุศลทำแต่ละอย่างควรตั้งเป้าหมายเพื่อวิวัตต์เอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นการให้ทานแล้วตั้งอุปนิสัยเพื่อบรรลุมักผลนิพานอันนี้ควรอย่างยิ่งนะครับแล้วการบรรลุมักผลนิพานนั้นจะบรรลุมักผลแบบไหนบรรลุมักผลแบบพระอัคราสาวกเป็นต้นก็ตั้งอดีแล้วแต่ก็ควรที่ว่าเออเมื่อตั้งแล้วเหตุเนี่ยเป็นไปกับผลเนี่ยสมควรกันไหมเป็นต้นนะครับก็ควรพิจารณาในส่วนนั้นๆด้วย แม้แต่พระโพธิสัตว์ที่การบำเพ็ญบารมีของท่านเนี่ยนะท่านก็ยังไขครววนะครับว่าเออบารมีเหล่านี้เป็นต้นะ่ะเป็นไปเพื่อสัมโพธิญาณเนี่ยนะจะต้องบำเพ็ญยังไงเป็นต้นเนี่ยท่านก็รู้อย่างดีเลยนะครับไม่เฉพาะแต่ทานากุศลอย่างเดียวนะครับแม้แต่สีละกุศลนะครับสีละบารมีเนี่ยนะท่านก็ยังรู้ว่าเออสีเนี่ยนะขจัดทุกโทษอะไรบ้างศีเนี่ยนะมีอะไรเป็นโทษหมายถึงว่า ศีลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่รักษาแล้วมีโทษยังไงถ้ารักษาแล้วมีอ น, นิสงส์อย่างไรศีลเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรพองแผ้วเพราะอะไรเป็นต้นท่านก็วินิจฉัยไค้ครวญเรื่องศีลได้อย่างละเอียดเยกไข่แม้กระทั่งเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาท่านก็มีการพิจร า, ารณาไข้ครวญทั้งหมดเหล่านี้อย่างเงียบขรึเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ที่บอกว่าไม่ไปปราศจากความจริงแท้เนี่ยนะความจริงแท้ในการบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะครับ อันหนึ่งพระองค์นี้ชื่อว่าอาคตะเพราะไม่มีการดําเนินไปการไปในคติทั้งห้ากล่าวคือความเป็นไปแห่งอภิสังขารคือกิเลสหรือกล่าวคือความเป็นไปแห่งขันทั้งหลายพระองค์นี้ไม่มีขันอันใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยนะแล้วก็สังขารที่เป็นบุญเป็นบาปเพื่อพบใหม่ก็ไม่มีปฏิสนธิในพบใหม่เป็นต้นของพระองค์ก็ไม่ไม่มีนะครับภาวะที่พระองค์ไม่ไปนี้นั้น่ โดยบรร ล, ลุนะครับโดยทรงบรร ล, ลุสอุปาทิเสสนิพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพานธาตุด้วยอริยมรรคยานอย่างท่องแท้แลพอบรร ล, ลุอริยมรรคยานแล้วสังขารที่เป็นบุญเป็นบาปก็ไม่มีแล้วสําหรับพระองค์และแม้กระทั่งปฏิสนธิในภพใหม่ๆเป็นต้นก็ไม่มีสําหรับพระองค์ต่อไปเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะไม่ไปปราศจากพยานอันทองแท้นะครับ คือแม้กระทั่งพยายนในการสั่งสมบารมีและพยานที่เป็นไปในการเจริญอริยมรรคนะครับว่าอาริยมรรคนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรส่วนพระธถาคตในยะที่8นะครับเพราะมีภาวะดำเนินไปโดยท่องแท้นะครับตถาคะตะพาเวนะตถาคโตถามว่าเป็นอย่างไรก็คือว่าพระธถาคตเนี่ยนะครับบดว่าตถาคะตะพาเวนะเนี่ย ได้แก่โดยสภาวะที่ทรงดําเนินไปโดยท่องแท้อธิบายว่าภาวะที่พระองค์ทรงดําเนินไปโดยท่องแท้มีอยู่เอาถามว่าก็พระผู้มีพระภาคที่เฉลิมพนาว่าพระตถาคตเพราะความที่พระองค์ทรงดําเนินไปโดยท่องแท้นั่นแนหะคืออะไรตอบว่าคือพระสัตรธรรมนะครับคือพระสัตธรรมแต่ที่จริงคําว่าพระสัตธรรมนี่มีหลายอย่างใช่ไหมครับปริยัติสัตธรรมนะครับอริยมรรคสีอริ ย, รรยผลสีแล้วก็นิพพาน นะครับโดยเฉพาะศัต ธ, ธรรมนี้เรียกว่าสัพ์ธรรมสินะครับ เ, เพราะฉะนั้นที่บอกว่าดําเนินไปในทองแท้ก็คือดําเนินไปในสัตท์ธรรมเหล่านี้นะครับจริงอยู่พระศัพ ธ, ธรรมอันดับแรกคืออารยมรคเนี่ยอธิบายว่าพระองค์ทรงดําเนินไปโดยประการที่ทรงถอนกิเลสอันเป็นปฏิปักได้โดยเด็ดขาดด้วยพลังคือสมถะและวิปัสสนาอันเนื่องกันเป็นคู่จึงทรงบรรลุด้วยสมุทเฉทปพอาหารเนีย่ยนะครับ คือดำเนินไปด้วยอริยมรรคกนะแต่ว่าดำเนินในลักษณะสมุทเฉทะปะหารละกิเลสทั้งหมดโดยประการทั้งปวงนะครับส่วนพลธรรมที่พระองค์ทรงไปนะครับคือดำเนินไปโดยประการที่พระองค์ทรงบรรลุด้วยปฏิปัสสัตที่ปะหานะตามเหมาะสมแก่มรรคถ้าหากว่าโสดาปฏิมรรคเป็นสมุทเฉทะปะหารโสดาปฏิผลก็เป็นปฏิปัสสัที่ปะหาร ถ้าสกทาคามีมักเป็นสมุทเฉทประหารสกทาคามีผลก็เป็นปฏิปัสสติประหารถ้าหากว่าอนาคามีมักเป็นสมุทเฉทประหารอนาคามีผลก็เป็นปฏิปัสสธิประหารอรหัตมักเป็นสมุทเฉทประหารอรหัตผลก็เป็นปฏิปัสสธิประหารนะครับส่วนนิพพานธรรมที่พระผู้มีพระภาคเป็นต้นเนี่ยนะครับเสด็จถึงคือกระทําให้แจ้ง โดยประการที่เสด็จคือตรัสรู้ด้วยปัญญาสําเร็จด้วยการสงบทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคตพระองค์นด้ดำเนินเข้าถึงนิพพานนิพพานนั้นอีกถ้าพูดโดยปหานะชื่อว่านิสระณะปฐานะนะครับแม้พระปริยัติธรรมก็ชื่อว่าตถาคตด้วยนะเพราะพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงดําเนินไป ทำนองดำเนินไปได้แก่ตรัสนะครับคือได้แก่ประกาศโดยประการที่พระปริยติธรรมนั้นอันพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายทรงประกาศได้สมควรแก่อัธยาศัยเป็นต้นของเวนยสัตว์โดยสุตะเคยะเป็นต้นและโดยการประกาศความดําเนินไปเป็นต้นนะครับคือหมายถึงว่าพระปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องประกาศประกาศพระปริยัติธรรมเหมือนกัน แล้วพระประิยะติธรรมนี้ที่ประกาศก็ประกาศตามสมควรแก่อัธยาศัยเป็นต้นของเวนยสัตว์ประกาศโดยเป็นสุตะเคยะวยาการณะคาถาอุทานิติวุตกะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงเสด็จไปดีแล้วเนี่นะครับเพราะพระองค์เนี่ยเสด็จไปเพื่อประกาศพระปริยะติธรรมนะครับเมื่อสาธิทั้งหลายรู้พระปริยะติธรรมก็จะประพฤติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีประพฤติชอบตามพระปริยะติธรรมนั้นแหละ เป็นไปเพื่อโลกุตรธรรมที่กล่าวไปแล้วครั้งก่อนนั่นนะครับคื อ, อการปฏิบัติตามพระปริยติธรรมนั่นแหละเป็นไปเพื่อมรักผลและนิพพานนะครับชื่อว่าพระตถาคตเพราะพระสาวกของพระผู้มีพระภาคดําเนินไปคือดําเนินตามโดยประการที่พระปริยติธรรมนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว นะครับแม้แต่ภาษาวกก็ดําเนินตามพระประิยัติธรรมนะครับเห็นไหมภาษาวกนี่ไม่ได้ดําเนินไปอย่างอื่นนะครับแต่ท่านเหล่านั้นดําเนินไปตามพระประิยัติธรรมเพระภาพรปริยัติธรรมนั่นแหละครับเป็นเครื่องวัดว่าท่านเป็นสุปฏิปันโนไหมปฏิบัติดีหรือเปล่าอุชุปฏิปันโนรหรือเปล่ายายะสามีจิตเป็นต้นเนี่ยนะครับเนื่องจากท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามพระประิยัติธรรมนั่นเอง มันพระปริยติธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าสุปฏิปันโนเป็นต้นที่บ่งเป็นนิมิตหมายว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยเหตุอย่างนี้พระสัสธรรมมทั้งหมดจึงชื่อว่าพระตถาคตนะพระศาสธรรมเนี่ยนะพระธรรมก็ชื่อว่าพระตถาคตคืออริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยัติธรรมพระธรรมทั้งหมดที่ว่าไปนี้เรียกว่าพระตถาคตเพราะเหตุนั้นเทา้าสกะ เทวราชจอมเทพจึงตรัสว่ า, านะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันพระสาวกเป็นต้นดําเนินไปโดยท่องแท้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีนะครับอะไรนะยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมิมานิวายานิวอันตลิกเถตถาคตังเทวะมนุษะปูชิตังธรมมังนาสามะสุวัติโหตุนะครับจากบทนั้นนะครับในรัตนาสูตรนะครับ พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะพระองค์นี้ทรงมีพระสัตธรรมนั้นนะครับคือมีพระสัตธรรมสิบประการนะครับคือพระปริยัติอริยมรรคสี่อริยผลสี่และพระนิพพานนะครับ